วันจะเวลาแล้วครับ <c oughs> ไกลแท้ได้เย็นมากลยไกลแท้ได้เย็นมากเลยมีกี่คนอ๋อมีกี่ไม่ใช่คนเดิมเ ค, คยมาค่ะแต่ดด ว, ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปวดทีค่ะ คนไม่ฉีข้างหนึ่งไม่ได้มาพอดีมากัดเนอเออีอว่านี่มีกี่คนที่วัดเหรอคะานนี้มีมัี่อฮะี่ต้นครับต้นรคิดคนคุณนายกับคุณิ ชาวบ้ า, บานมีนไหมี่บ่ชาวบ้านไม่มีเลยค่ะเพยังไม่ไึงมืกีามาถาว่าหลวงปู่มาหยังมาแล้วื อ, <c oughs> อว่งปู่จะน้งกนเลยเลยเายังไม่มากันน้กัมานี้เาเข้าใจว่าหลวงปู่มาเมื่อครับแล้วก็เลืไรัน่ <c oughs> มา โอ้ยมาหมดก็ ม, มาแล้วเป็นอย่างบวชได้เีื่อคืนศรัทธาไม่ชี้ไม่ชี้บวชตอนเดือนเมษาพอดีบวชฉลองเจดีย์หลวงตามหาบวชที่ว่าแสงคำนะคะอ๋อ <c oughs> แสงคำที่ไหนที่แสงคำบางน้ำเขีย ว, ว่พระอาจารย์สพานะคะอ๋อ โว้ยมันไม่ร้อนทำไมเอาถุงข้าวถุงอะไรมาเยอะแยะตรงนี้หนาวเจ้าหลปูหลวงปจะได้ฉลองรัตยาโยมด้วยไม่ค่อยหนาวหรอขอเส้นเร า, <c oughs> า, าได้ไม่หน า, แนาวแต่หนาวแกลังทำสมาธิดี <c oughs> โอ้ยไม่ก้องเด็เกเสียดายแต่เนาะหมากับแค้ง ก็ตกลงจะมาแล้วจะขาระเดนแต่ครั้งที่ว่าสันติพักแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำตอนเชองซึนะมันคงจาไม่ได้มืดจ้ะคะมาจไม่ได้มันกัดประการจุวัดอะไรนะวัดสติพักซึ่ไม่เชนี่จำบรนดาหลวงพ่ออะไรอยู่นั่นโอตอนนี้มนจําที่ นบุรีค่ะชนบุรีสิมาอยู่วัดเดียวกับแม่ชีตำรวจที่ไม่ได้มานะคะเดยวแม่ชีองแม่เจออะไรก็ิดต่ยไปเขาก็ไม่รับคนนันไม่ติดต่อเลยแม่ชีคงจะไปสแที่บ้านมั้งน้าบ้านเขจร์ก็ไม่เจอาย้หน้าเยันก่อนไปใส่บาพระอาจารย์จันดี ที่หน้าบ้านเขาะก็ไม่เจอไม่เจอเขาหลอกหน้าเพื่อนทนะาไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นแนหะทำความละอายให้ตัวอเอมบวนแล้วก็พออยู่สบายพ่ออยู่ไหมละ่ะเมื่อคืนดีค่ะหลวงปู่นี่ก็ดีใจที่ปาไหมมามดูแล ง, งานอยู่ที่นี่ก็ลา บ, บวชลาึกลา บ, ลา บ, บวชเลยเลางานออกอีกเลยเนั่นเอง ดิฉ น, นได้ความขาวแล้วก็ดีใจ่มมากแล้เพราะว่าได้วัดแล้วก็ได้คนอีกคนหนึ่งโวยหาที่ไหนได้สอนคนให้บวชคนหนึ่งมันอานิสงส์มากนะสอนคนให้คนเข้าวัดคนหนึ่งอานิสงส์ชนหนึ่งสอนให้คนได้บวชอีกอานิสงส์อือนะบวชก็ได้โดยเฉพาะได้ปฏิบัติตามคำคำั่ า, างๆ ข, ของพระพุทธเจ้ามันหาได้ยาก คนเราส่วนมากก็ไม่จะทําตามใจไม่ทำตามความถูกต้องของพระพุทธเจ้าในเสียตละดอย่างนี้ยนะจะเข้าใจเรื่องธรรมะมาแพีเดียวก็เข้าใจแล้วผู้มีสติปัญญาผู้ไม่มีสีิปัญญาพูดเท่าไหรบอกเท่าไหร่ดา่าว่าเท่าไหร่ก็ไม่สนใจผู้สนใจก็พิจารณาเอาไปทําเอาไปทําเอาทําอะไรก็โอ้มันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนอ รับรวยสวยงามมันไม่แน่นอนเอาของผู้เจ้าที่สวยงา ม, มไม่มีเลิกปลาเลยงามตลอดไปของผู้บริเจ้างามทั้งใจไม่ใช่งามใบหน้ารวยสินรวยทานรวยสินรวยทำไม่ใช่รวยบ้านใหญ่บ้านโตบ้นใจบ้านโตเอาไปด้วยไม่ได้สั้งขาแร่างกายเอาไปด้วยไม่ได้ย่ำแล้วย่ำอีกคนเรายุ่งแต่ร่างกายหัวใจก็ไม่ยุ่ง สั้งทังที่ใจเป็นตัวของเราสังขาร น, นั่งกายไม่ใช่ตัวของเราของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่จ็บตายไม่ใช่ตั ว, ตวโครงการของวิ่งหาจัตูกใจสร้างโรงพยาบาลปรบลงพระบานไม่พอใช้อย่างน้อนอย่างนี้ขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็อสร้างให้เสร็จแล้วก็อขอน้อนขอนี่จ น, นเอ้าก็หาเอา บ, าบ้างซีหลวงพราณ์นั่งกายหลวงปู่ใจไม่ชอบ มันรักษาไม่ได้เราสังขารร่างกายถึงหายเราก็ต้องตายอยู่เหมือนเดิมมันก็ช่วงระยะหนึ่งนั่นแหละคำของพู้เจ้าทําไมไม่ฟังเราสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกินแล้วแกเจ็บเียบก็คือเจ็บป่วยแหละตายนะให้จะห้ามได้หรอกพอแม่ปู่เจ้าตายยายหรือใครก่อนๆไปไหนแล้วผมเส้นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้เวลาหาปุงหาแตงหารักษาเป็นราคาเท่าไหร่ก็ไม่พอ หือเฉพาะลูกหลานทุกวันนี่เป็นบ้ากับสังขารร่างกายแล้วอผมดีๆก็ไม่เอาไปแต่งใหม่ขนตาดีๆไม่เอาไปแต่งใหม่ขนคิ้วดีๆไม่เอาแต่งใหม่ฟันดีๆไม่เอาแต่งใหม่เหมือนยักผีนี้ยักโขนนนแปบมือดีๆก็ไม่เอาแต่งใหม่ไม่รู้ว่าเอาผีตายหงมาไหนมาทำก็ไม่รู้ เขาบอกว่าโอ้ยเขไม่เอาขนผีหรอกผมปูขนปอมเขามีเยอะแยะทุกวันนี้นอมแล้วเขาผีมาขายให้เขาทำปะศตรีงามว่างั้นหมปูว่าโจุมยุงแต่ของปอมะตแต่ของปอมมหลอกตัเความหลอกคนอื่นไม่ได้ยินเขาลอลงสงสัยข้างในจะเป็นของปอมอมไม่หลอกคุณลุงนั่น เขอบอกตรงๆไม่เชื่อเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นจึงไม่เชื่อเหตุผลในทางที่ถูกต้องคำของพู้เจ้าสอนธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายรู้จักไหมเขาว่าความเบือเบ่อหน่ายเบื่อหน่ายจากความรักกับความโลภใจของคนมีแต่ความรักกับความโลภครอบงําจิตใจอยู่นั่นมันมืดบอดโลกะคือความมืดครอบงาสัตว์โลก จะเห็นสี่ไหนเหบอกดูก็ไม่ดูไม่ใช่ตาเนื้อดูนะธรรมะจะสุคือตาแต่ไนเห็นไหมเรานั่งดูเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เอาตาเนื้อไปดูหลอกบุญใช่ธรรมะจะสุไปดูบุญไปดูสวรรค์สวรรค์ในออกมาลกในใจถ้าดูเห็นลมก็เห็นสวรรค์เห็นใจทําไมไม่ดูหรอกไปดูทําไมผมผนเล็บฟันหนังของบูดของเน่านอนกอดของเน่า ยินดีแต่ของบูรของเนาพูดอะไรเมื่อกี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเราไม่ได้ยินเหรอหรือพูดเฉยๆเราทําไม่ได้แต่พูดไปทําไมถ้าพูดเราเห็นทุกคนเป็นจริงเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็บเบื่อนหน่ายโอ้ไม่อยากจะยุ่งหนีก็ปะหาไปดูลมหายใจเขาออกซึ่งมันสะอาดนุ่นเห็นไหมสามารถที่จำแนกแกลสงใจของเราไปดูสมันได้พานก็คือลมนะสั้งขานร่างกายไม่พาไปหรอก พอไม่มีลมไม่มีใจเราก็เผาทิ้งหมดแล้วจะพาไปสวรรค์ได้ไหมล่ะนั่นไอ้นคนเราเราไม่ทําจุดนี้แหละวุ่นวายชอบแต่วุ่นวายนั่นคนเราชอบยุ่งคนเราชอบยุ่งนุ้ยเจ้าทรงสอนจึงให้เน่นหนักภาคปฏิบัติพระมกี่รู้ประเทศไทยสอนญาติร่วมนิทรบอเอาของมาถวายพระเอาของถวายพะระดอกไม้ทูบเทียนอะไรก็ถวายถวาย เวลาบวชนาแหน่นาเข้าบ้านเข้าวัดแห่ผ้าป่าอ้อมวดัดอ้อมโบสถ์ด้แห่กระถินอ้อมโบสถ้อมวัดแห่ต้นเทียนอ้อมโบสถ้อมวัดอยู่นั่นครูเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นทำไรแห่แห่ถ้าไม่ได้มีน้ำบ้าเข้าไปมัน้อนไม่ออกก็แห่ละก็ไปไปพ่นทําไหมพ่นสันไปฟ้อนกันมาไม่รู้สามีใครภรรยาใครเวลาหยุดจาก ง, งานเราไปกับบ้านแล้วก็ทะเลาะกันแหะ ไม่น่าละอายเลยกินเหล้ากินยาก้อนก้อ น, อนเจียวสามีใครพรรยาใครละ่ะไม่ละอายหรือก้อนในวัดในว่าทะเลาะกันนะเห็นไหมนํามาถึงความทะเลาะมันมันไม่ดีกฎหมายก็ห้ามกันด้วยห้ามไม่ให้มีมโรสถกบเงินตามวัดตามวามันสร้างปัญหาให้เด็กเล็กเด็กแค้นเด็ก แ, แวนอะไรอะไรฆ่ากันทะเลาะกั น, กนตีกัน อาจารย์ก็เอาไม่อยู่พ่อแม่ก็เอาไม่อยู่กฎหมายมีเท่าไหร่ก็ไม่กลัวกันนั่นไปทำอะไรวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธไม่จะเป็นอย่างนั้นรัตชาวัฒนธรรมแบบโลกิยะเอามาทํำทำไมโลกุตละนอกรักษาเอาไว้น่ะเราจะไปยุ่งทําไมแต่เรื่องของโลกเอามาวุ่นวายกับวัดวัดนะไม่ใช่บ้านนะ วัดกายได้กลัวัดวาจาสวด ม, มนต์วัดจิตใจนั่นให้นิ่งให้ใจสงบนั่นถ้าวัดสามจากนี่ก็เป็นไปเพื่อคนมเจริญรุ่งเรืองนี่เราวัดได้เพียงเดียวก็คือข้าวหน้าโภชนาอาหารได้แต่ของทานของทานกับของบุญแตกต่างกันของทานสําหรับร่างกายมีอะไรบ้างข้าวน้าําโภชนาอาหารตะบงจีวอนเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ที่อยู่อาศัยเสนาธนะแล้วก็ยารักษาโลกนะยาาสักษาโลกของผู้เจ้าก็ไม่ยุ่งยากไปซะด้วยดาบมูดใส่หน้ามหมอฉันดาหนองด้วยน้ามูดเน่านั่นะยาของผู้เจ้าแต่ทุกวันไปเข้าหาหมอเข้าหาหมอเข้าหาเท่าไหรก็เข้าก็แจก็แฉ ก, ก, ก็ตายเหมือนเดิมหายแล้วก็ต้องตายเหมือนเดิมนั่นแหละน่นแต่ของผู้เจ้านะถ้ารักษาได้ไม่ตายนะ นยาของผู้เจ้ามีเส้นเดียวมียาก้อนเดียวคือลมนัถ้าเห็นลมเราก็ใจก็อยู่ได้ถ้าไม่เห็นลมถ้าไม่มีลมใจกว่านี้แล้วนั่ง่ายไหมทําไมไม่รักษาทีหนึ่งลมทําไมไม่ดูหล่ะลมก็พูดกันแต่เรื่องนี่แหละแต่ไม่ทำนั่นเพราะอะไรมันง่ายเกินไปเหรอนักเจ้าจึง บอกว่าเรำทำที่เราสถาพทีจะจะ่ศัตรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ฟังดูสิเราเป็นคนธรรมดาคนเป็นยังไงคนธรรมดาไม่เป็นธรรมดาคนธรรมดาคือคนมีกิเลสบุตรชนนั่นสำหรับคนที่เหนือจากคนธรรมดาปัญญาชนนั่นถ้าผู้มีปัญญาชนก็เอามาคิดอ่างน ค, ควรพิจารณาภาคปฏิบัติบูชา จะได้มีสมาธิจะได้เกิดปัญญาในความรอบรู้แสงสว่างเติมด้วยปัญญาไม่มีความรอบรู้ในความสังขารเรียกว่าปัญญานั่นไม่ใช่ว่าเป็นท่องเอเกอความรู้นะท่องของพระพุทธเจ้าจะทําดีทํำทูทาเบกประโยคนั่นประโยคนี้ก็บ้าไปละเวลาสอนโยมไม่ทําบุญก็บอกว่าสวรรครสัทานโยมสวายสถีนโยมสวายค์ท่าสายโยมวจน้ำโยมมะทําบุญกัน แต่ไม่ไม่บอกจมทำบุญบ้างหรือพระไม่เคยเห็นบุญทำไมไม่บอกจมทำบุญจะ บ, บ้างถ้าไม่บอกจมก็ไม่ทำอีกก็บอ ก, กอย่างนี้ก็ยังไม่ทำกันน่ะหลวงปอหลวงพ่อบอกทุกครัง้งทุกครัง้งให้นั่งทุกวันทุกวันวันละหนึ่งมาทีเวลาถามดูฉันนั่งนั่งไม่ได้เลยใจไม่สงบใจไม่นิ่งนั่น นิ่งไ่นิ่ก็ทำน้่นสิหนึ่งนาทีมันเวลาอาหารกายล่ะข้ามปีข้ามวันไหมไม่เห็นว่ากีนหน้าฉันจึงจะทานอาหารชาติหน้าฉันจะทานอาหารไม่เห็นบอกบอกเวลาไหนหิวเวลาไหนก็ทานเลยอาหารใจแล้เราจะไม่ทานเลยทีนี้ไม่ได้ซื้อเส้นด้วยอาหารใจอเราอยู่กับอาหารใจจะอยู่กับลมทำไมไม่ดู พระพุทธเจ้าฮะอนุญาทรัพย์ภายในมาให้ใจวางไว้สําหรับพาทองคําพาชนะทองคำนี่พี่ดิทำไมเราไม่ทานดิทําไมไม่ทานอาหารใจทําไมไม่ให้อาหารใจล่ะถ้าไ ม, ไมให้อาหารใจใจจะยิ้มได้ยังไงอภัพอาเฉาทุกฉันทําไม่ได้นั่นปฏิเสธไปแล้ว เลยปฏิเสธไปแล้วคนเวลาเสียชีวิตได้อะไรใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์จาก พ, กพุทธศาสนาจากปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายใจ ต, ตัวเดียวยังไม่มีร่างกายมันใสสะอาดปัะพัดพลังจิตตั้งเป็นประพัดถอนมันใสสะอาดแต่มันมีถุกกระกเพราะมีร่างกายใช่ไหมเราอยู่กับของสกกรกง่วงเจอของถกกรก ไม่ถกพอกไงก็พูดแล้วเมื่อกีเ้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดหรือจะว่าพูดเล่นไปเหรอตอนนี้นกแก้วก็พูดได้ใจเห็นบ้างไหมว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมันมีอะไรบ้างก็ไล่หให้ทุกวันไม่ให้มันดูสิมันสะอาดตรงไหนหรอถ้าเห็นตามความจริงของพระเจ้านั่นแหะธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครจะความลัก ใช่จากความกำหนัดย่อมใจนั่นเป็นคำค ำ, ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดเบื่อหน่ายมันก็เบื่อหน่ายถ้าคิดให้ชอบมันก็ชอบกั น, นมันก็เลยไปาตามทิเลสนั่นฉันชอบสวยะชอบร่ำรวยฉันชอบร่ำรวยฉันชอบสวยงามหาอะไรมาตกมาแต่งมาดัดมาแปลงเสื้อผ้าวันนึงเปลี่ยนกี่คั่มเต็มตู้อยู่เขามาขายซื้อถมเทสไปมอของปตกลราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ถาคิดตั้งแต่วันเกิดมาเผาะอะไรก็หมองเผาเราก็ไม่หมดนั่นแหละของเสือ้อผ้าแต่เพรเสื้อผ้าอย่างเดียวเขาน้าโภชนาอาหารมีกี่ยามแต่ละวันแต่ละวั น, วนคิดดูมันยุ่งกับร่างกายไหมยุ่งไปทําไมของบูดของเน่าแต่งหาแดดหน้าแปง้งยาสิวันหลอดละเท่าไหร่ตะบูก้อนละเท่าไหร่เครื่องแต่งผมเครื่องทาเล็บทาอะไรต่ออะไรของมนเนินเพลินพึกษือ ค น, นเราชอบยุ่งเข้าใจไหมสิ่งชอบือเรื่องยุ่งยุ่งของยุ่งยุง่ก็ไปชอบดูชอบยุ่งแล้วก็มาเกิดอีกแก่อีเก็บอีเพราะมันยุ่งชอบของยุ่งรักของยุ่งจะได้หนีเปไหนได้สิมันมันไม่เบื่อไหนมันก็จะหนีไปได้ละจากความเกิดเมืก็เกิดแล้วเกิดความโลภเกิดความรักมันมันก็เกิดอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาเห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเกิดหรือไม่เกิดล่ะ เอาคำของพระเจ้ามาพิจารณาดูลมมันเกิดตรงไหนของผมรักก็มีความโลภ ก, ก็มีเห็นแต่ลมหายใจเขา้าออกสบายเบาน่ลมสามารถส่งเราถึงสวรรค์ถึงพันิุพันธ์เ้าน้าโพชนาอาหารสิ่งของสังขารร่างกายสกปรก ป, ปูดเน่านส่งเราไปถึงไหนกองไฟส่งเราถึงนั่นเพราะฉะนั้นจึงจะเล่งจึงเล่งจึงเล้งเห็นไหมล่ะ คิดดีแล้วนะที่บทไม่ดี๋ยวไปคิดกลับหลังเบื่อแล้วทั้งโลกมันจะวุ่นวายดูสิขยันขย้อนเล่งกันในมาเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วยังไม่บริหารประเทศชาติมัวแต่ไปทะเลาะ ก, กันอยู่นั่นมีความสะดวกตรงไหนี่มีความถูกตรงไหนโลกนี้่ แล้ว่เปียกิริงวิ่งยาวเป็นให่เป็นโตอยากเป็นใหญ่เป็นโต <c oughs> นั่นแหละพวกนี้เรียกทำเอาเถอะยังมีชีวิตอยู่รีบเร่ขงขนขวยกว่อสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระบําเพ็ญทานศีลภาวนาเดี๋ยวยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตแล้วเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา เสียทีแล้วมาเกิดมากระจุด ท, ทิ้งเผาทิ้งหมดแล้ไม่ทำกุญแจความดีนั่นรู้จักไหมความดีของพระเจ้าคนนั่งดูลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ไปควนได้จี้ได้ฆ่าได้ขโมยได้คดโกงได้เป็นของดีรู้ไหมถ้ารู้ไปทำทําไมล่ะเงินจำมีเท่าไหร่แน่นไปหมดของดีทำดีนั่นหรือทำดีทำดีของพระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนตนเองและคนอื่นนั่นดีถูกต้อง มีคนอื่นแต่ร่ำก็ยังไปทำกันคดโกองกันเอารัดเอาเปรียบกันโอ้ยน่าสลดจำเวทนะโดยเฉพาะเรามางานนี่แหละกลางเต้นตามลมไม้กลางร่มตาม ก, ด, กดตามลมไม้ก็นั่งถูลมงเข้าลองบอกลงเข้าลงแบบโอ้ยถ้าไปนอนโรงแรมโรงอะไรก็แล้วตันน่ะเนือ้อพักความก่อนวโหวเพิเ่มเยอสว่างแล้ว โอ้ยยังไปนั่งสมาธิเลยเราก็ไปวัดไปทำบุญน่ะเลยไม่ได้ทำบุญแล้วะ ว, วันหลังเจเล็กกับรลอกอีกเดี๋ยวก่อนนึกว่าเหนื่อยพักฟันนอนนอนเผลอหลับแทบเดี๋ยวไปแล้วสว่างแล้วเลยวันหลังลังก็เหมือนกันวิตกิเลสโกหกเอาโกหกเอากกเร า, าจะเล่นให้พยายามพระเจ้าประสงค์ก็แน่นหนักภาคปฏิบัติด้วย ไปทุดงไปทุดงถ้าตรงไหนพอตั้งอกตั้งใจพอกระพริปฏิบัติตั้งอกตั้งใจอยู่ปฏิบัติเป็นเดือนเดือนเป็นอะไรนุ่นหลายหลายเดือนนุ่นถ้าไปตรงนี้วันสองวันโอ้ยไม่สบายชวนกันไปที่อื่นโอ้ที่นี่ไม่สบายชวนกันไปที่อื่นโอ้ที่นี่ไม่สบายมันกรปุงไปแต่งเรื่องของเจลลมันไม่สบายหล่ะถ้าเห็นไอ้ที่ไหนพอเหมาะแล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้ผมพอทํา สร้างวัดที่โน่นที่นี่ให้ยิ่งสบายแล้วนี่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ปูมแต่งเรื่องสร้างโน้นสร้างนี้่ไปด้วยนี่แต่เข้าไปนั่งสร้างใจเท่านั้นแหละนี่มันสำคัญเรื่องสร้างใจนั้นสร้างสิ่งของในโลกไปสงสารเท่าไร่ก็สร้างได้หมดแต่ว่าสร้างใจล่ะนี่เหมือนกันเห็นได้ญาติโยมจะมีกิตติาสร้างพระใหญ่ที่สุดสร้างไม่ให้สร้างถ้าไม่มีครื่องมือ เรสร้างตากแดดตากฝนเอาตัวเราไปตากแดดตากฝนได้พอวันไหมได้กี่ชั่วโมงบ้างไหมไปสร้างรูปเหมือนขึ้นมาขอะพระพเจ้าไม่สงสารท่านหรือหรือว่าท่านไม่มีหัวใจแล้วจัสร้างไว้ก็คนที่สร้างไม่มีหัวใจเหรอมันสะท้อนย้อนไปหาผู้สร้างน่ะนะนั่นไปหาสร้างท่านตากแดดตากฝนทาไมสมมุดขึ้นมาแล้วนั่นเป็นรูปเหมือนของพระเจ้าแล้วจะมาทําเป็นเล่นๆจะเหาะไปหา สร้างเผาแดดเาผาฝนอยู่นั่นตากแดดตากฝนอยู่นั่นจะได้อ น, นิสวงต่อนในมิตรจะได้บาเพิ่มเข้าไปนั่นแหละต้องการให้ท่านร่มเย็นบกความร่มเย็นร่มเย็นก็ต้องให้ท่านร่มเย็นสิเครื่องมืง ม, มีเครื่องแยะทําไมทําไมเอามาตากแดดตาฝนน่นถึงไม่มีหัวใจหรือคนสร้างท่านได้นั่นเห็นไหมล่ะ <laughs> แต่มันตากแดดตาฝนมันก็ท้อนยอนไปหาผู้สร้างนั่นแหละมันลึกละเอียดนะ มันจะทอดย้อนลงไปเป็นบาปเป็นกรรมด้วนี้แต่คนไม่คิดการไกลเราสร้างได้สร้างได้สร้างได้ไดโอ้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าไม่ตากแดดตากฝนหลงพ่อหนึ่ดีใจด้วยจนะหลดสังเวชในผู้ที่ไปสร้างเพราะฉะนั้นจึงบอกแว่าถ้าไม่มีเครื่องมุงไม่ให้สร้างถ้า ม, มีเครื่องมุงเราก็ให้ร้างทำได้ให้แน่นหนักภาคปฏิบัติภาคสร้างใจ ไม่ต้องเบียดล่อนถ้าจเจ้าพระสงฆ์อยู่ที่นี่มีเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเบือดร่อแล้วมีมากยุ่งมากถ้าไม่เข้าใจกันในการปฏิบัติธรรมดีไม่ดีปันป่นป่วนของเราให้เราไม่มีความสงบสุขน่ะเ <c oughs> มื่ออนาจลุงกุกกศลลูกตนโยมปฏิบัตินองลูกหลานมาทางใจทางใจเลยเสสละมาทาทานก็ดีรักถิ่นก็ดีเจริญเมตตาธรรนาก็ดี เป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำในนี้บุญกุศลคุมครองต้องพูที่เจ้าคุณมประจำคุณมประสงค์ความสิ่งสกิตสัมภาในสาวนรกนี้จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอกจนได้โยมภกษาแต่ตทั้งเมะเจ้าประสงค์ก็ดีจงมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกข์กโลภภัยํางานเพีงใดการเงินเพีงใดโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสัมพันของพระพุทธเจ้า ลงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีดวงจติตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพาน<ม>ในปัจจุบันในชาตินี้เถิดโอ้ีตะแกะทางไกลมาบาดนี้่ยังไม่ตออื่นด้วยนี่ พระพุทธลูกคุปป้ใจหัวใจเราพุทธะจะผู้รู้ทําให้ใจของเรารู้นั่นนี่เป็นสมมุตรริเฉยดีไมด่ดีถ้าไปเอาเข็งเอกไปก็ติดรูปนิมิตไปนู่นนี่ว่าติเห็นพระพุทธโูบนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าบว่าจัว่วมันเป็นสัญญาณออกไปแล้วสัญญาณเราเป็นสัญญาณออกไปแล้วแต่ว่าดีใจจะได้หรือไงถ้าถีกตั้งที่จุดพุทธะคือใจของเรา พุทธะแปลว่าผู้รู้ทําให้ใจของเรารู้เตือนเบิกบานโลกวิถีรู้แก้งโลกรู้ควมเป็นดูของโลกคนวุ่นวายโลกก้อนของเรานี่ก็วุ่นวายเหรอใช่ไหมมันเป็นทานละหเวปันจากสันธานั่นมันวุ่นวายแล้วโลกก้อนเอาออกจากโลกก้อนกายก็เป็นโลกทั้งโลกเขาอยู่อาศัยต้อวุ่นอยู่อย่างนี้นั่นให้โูกแก้งควมเป็นจริงของโลกว่ามันวุ่นวายโลกวิถีนั่นไปแนะนํา สมมติพระพุทธเจ้าพุทธะเป็นบุคคลรู้ก็แปลเข้ามาถึงหัวใจของเราสิใจของเราก็รู้ทำํำไมรู้เหมือนพระพุทธเจ้าก็รู้ได้ถ้าไปเรียรู้ได้ไม่มีพระสงฆ์รู้ความเป็นจริงของโลกกระทั่งก็ไม่ออกไปยุ่ง์แล้วก็อยู่ปฏิบัติทำนเทนี่ยพราะฉะนั้นทําใจของเราให้รู้ให้นิ่งนหมเน้นหนักจะไปยึดแล้วก็หอบพระพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิภาวนาไปที่ไหนก็หอบไป ออพระพุทธเจะหอบใจของเรากับใจนั่นแหะหอบพระพุทธเจ้าไปในในใจของเราในใจของเราเป็นพุทธผู้รู้ในใจของเรารู้เตือนเบิกบานในสินในธรรมวันนี้